ไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยเล่มที่44พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่11ปาทานภาค5พระอภิธรรมปิฎกธ ร, รมมานุโลมทุกข เถึกะประธานขออ้อน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งเฮตุทุ ก, กะหนึ่งกุสละเกะหนึ่งกุสลบทหนึ่งปฏิจจวาระปัจจะยะจตุกนัยเฮตุปัจใจหนึ่งสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวะธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย 2. สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจ สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย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 เกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัยย่อหเหตุปัจจัยมีกลาวว่าอารามณปัจจัยมีกลาวว่าอธิปติปัจจัยมีกลาวว่าอานันทปัจจัยมีกลาวว่าสมนันตทปัจจัยมีกลาวว่าสหชาตปัจจัยมีกลาวว่าอัญญมัญญปัจจัยมีกลาวว่านิสยปัจจัยมีกลาวว่าปุญญนิสยปัจจัยมีกลาวว่า โอเรชาตัปัจจัยมีเก้าวาระอาเสาวนปัจจัยมีเก้าวาระกรมมปัจจัยมีเก้าวาระมหาราปัจจัยมีเก้าวาระอินทริยาปัจจัยมีเก้าวาระชานะปัจจัยมีเก้าวาระมัคคะปัจจัยมีเก้าวาระสมปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระวิปยุตตปัจใจมีเก้าวาระอัติปัจจัยมีเก้าวาระนัติปัจจัยมีเก้าวาระ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 เกิดขึ้นเพราะณธิปติปัจจัยมีสามวาระนปุเรชาตะปัจจัยเป็นต้นแปสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะณปุเรชาตะปัจใจเมฆ้าวาระเพราะณปัจฉาชาตะปัจจัยมฆ้าวาระเพราะณอเสิวณปัจจัยมฆ้าวาระนกรรมะปัจใจเก้สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศล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 สภาวธรรมที่เป yeah, ็นเหตุซึ่งเป็นขุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะนวิปากัปัจจัยเมฆ้าวาระละถึงเพราะนวิปวิตตปัจจัยเมฆ้าวาระ 11. บอณอธิปติปัจจัยเมฆ้าวาระณปุเรชาตปัจจัยเมฆ้าวาระณปัจฉาชาตะปัจจัยเมฆ้าวาระณอาศัยวณปัจจัยเมฆ้าวาระนกรรมปัจจัยมีสาวาระ นวิปากะปัจจัยมีฆาวาระนวิปุตตะปัจจัยมีฆ้าวาระปัจนิยะจบนัอธิปติปัจจัยกบเตตุปัจจัยมีฆ้าวาระย่ออนุโลมปัจนิยะจบเฮตุปัจจัยกับจจกาานัอธิปติปัจจัยมีฆ้าวาระอารมณะปัจจัยมีฆ้าวาระย่อปัจญิยานุโลมจบพึงขยายสหชาตะวาระ ปัจยวาระนิสยวาระสังสัทวาระและสัมปยุตตะวาระให้พิจารณาเหมือนกับปิจจวาระหนึ่งปุชละบทเจปัญหาวาระปัจยยจตุ ก, กนยัยเหตุปัจใจสิบสองสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นขุศลโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นขุศล เป็นปัจจัยแค่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลโดยเหตุตุปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแค่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลโดยเหตุตุปัจจัยอารมณ์ปัจจัยเป็นต้นสิบสามสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแค่สภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ Says ่งเป็นกุศลโดยอารมณ์ปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลโดยอรรถมณปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที hmm. ่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลโดยอรรถมณะปัจจัยมีสามวาระ 14. สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศล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 เป็นปัจจัยโดยนิสยาปัจจัยสิบหกสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลโดยอุปาณิสยาปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปาณิสยาอนันตารูปาณิสยาและปะกะตูปาณิสยามีสามวาระสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลโดยอุปาณิสยาปัจจัยมีสามอย่าง คืออรัมณูปนัณนิสยอาอนันตารูปัณิสยาและปกระตูปัณิสยามีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแค่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลโดยอุปิยปัจจัยมีสามอย่างคืออารัมณูปัณิสยาอนันตารูปัณิสยาและปกระตูปัณิสยามีสามวาระละถึงเป็นปัจจัยโดยอาเวจวะณะปัจจัยมี9้าวาระ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 โดยชานะปัจจัยมีสามวาระยี่สิเอ็ดสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลโดยมรฆาปัจจัยมีเก้าวาระยี่สิบสองเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมีเก้าวาระมาทิฏิปัจจัยมีเก้าวาระอานันทปัจจัยมีเก้าวาระสมานันทปัจจัยมีเก้าวาระ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 อธิปัจจัยมีเ้าวาระนัตถิปัจจัยมีเก้าวาระวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระปัจจนียุทธาระยี่สิบสาสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลโดยอรมณปัจจัยสหาชาตตปัจจัยและอุปาเสียปัจจัยมีสามวาระยี่สิบสี่ สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลโดยอรมณะปัจจัยสหชาติปัจจัยและอุปาเนสยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลโดยอรมณะปัจจัยสหชาตะปัจจัยและอุปาเนสยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศล เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลโดยอรมณ์ปัจจัยสหชาตปัจจัยและอุปาเนสยปัจจัยยี่สิบห้าสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลโดยอรมณปัจจัยสหชาตปัจจัยและอุปนินสยปัจจัยมีสามวาระยี่สิบหกนเหตุปัจจัยมีเก้าวาระ นาอารามณปัจจัยมี9้าวาระนาอธิปติปัจจัยมี9้าวาระละถึงโนโวิคัตะปัจจัยมี9้าวาระยอ่อปัจญิยะจบนาอารามณปัจจัยกับเพตุปัจจัยมีสามวาระละถึงโนนัิปัจจัยมีสามวาระโนวิคัต ะ, ะปัจจัยมีสามวาระย่ออนุโลมปัจญิยะจบ อารามณะปัจจัใจคำนะเหตุปัจจัยในกล่าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยในกลาวาระย่อปัจญจิยานุโลมจบพึงนับเหมือนอนุโลมปัจญจิยะอนุโลมปัจญจิยะและปัจญจิยานุโลมแห่งปัญหาวาระในกุศลติกะที่นับไว้แล้ว กุศลบทหนึ่งปฏิจจวาระปัจจะจตุกนัยเหตุปัจจัยี่สิบเจ็ดสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอกุศล อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอกติผลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยี่สิบปดสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอคุศผลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอคุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอคุศผลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอคุศล อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอคุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยี่สิบเก้าสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอคุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอคุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอคุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นเหตุและท eh. ี่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยสามสิทธเหตุปัจจัยมีกลาวาระอารมณปัจจัยมีกลาวาระอธิปติปัจจัยมีกลาวาระละถึงกรรมปัจจัยมีกลาวาระอาหาราปัจจัยมีกลาวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีกลาวาระย่อ อนุโลมจบนะเหตุปัจจัยสาสิบเอ็ดสภาวธรรมที th hes, mai, ่เป็นเหตุซึ่งเป็นอคุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอคูสนเกิดขึ้นเพราะน่เหตุปัจจัยณอธิปติปัจจัยเป็นต้นสาสองสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอคูสนอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอคุศนเกิดขึ้นเพราะนอธิปฏิปัจจัยในกลาววาระ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 สามณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระนปุเรชาตะปัจจัยมีเก้าวาระนปัจฉาชาตะปัจจัยมีเก้าวาระณอเจวะณปัจจัยมีเก้าวาระนกามะปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยมีเก้าวาระณวิปยุตปัจจัยมีเก้าวาระปัจจ尼ยะจบณอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเก้าวาระ ย อ, อนุโลมปัจจนินยะจบอารมณ์ปัจจัยกับนิเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อปัจจนินยานุโลมจบพึ้นขยายสหาชาตะวาระปัจ ย, ว า, ยว า, ถถาวาระนิสยาวาระสังจตตวาระและสัมปยุตตาวาระให้พิสดารเหมือนกับปฏิจจวาระสองอกุศละบทเจปัญหาวาระปัจยะจตุกนาย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 อารามณปัจจัยเป็นต้นสาสิห้าสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอกุศลโดยอารามณะปัจจใจมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอกุศลโดยอารามณปัจจใจมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอกุศล เป็นปัจจัยแฉ่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอกุศลโดยอรมณปัจจัยมีสามวาระ36สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแฉ่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอกุศลโดยทิฏฐิปัจจัยมีอย่างเดียวคืออรมณ์ทิปติมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแฉ่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอกุศลโดยธิฏฐิปัจจัยมีสองอย่าง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 โดยอาหารปัจจัยมีสามวาระสามสิบเก้าสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอกุศลโดยอินทรีย์ปัจจัยมีสามวาระสี่สิบสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแห่งสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอกุศลโดยชานะปัจจัยมีสามวาระย่อสี่สิบเอด เหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมีเ้าวาระอธิปติปัจจัยมีเ้าวาระอนันตทปัจจัยมีเ้าวาระสมนันตทปัจจัยมีเ้าวาระสังาตปัจจัยมีเ้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีเ้าวาระนิสยปัจจัยมีเ้าวาระอุปญนิสยาปัจจัยมีเ้าวาระหาเสวนปัจจัยมีเ้าวาระกรมะปัจจัยมีสามวาระ มหารปัจจัยมีสามวาระอินทรีย์ปจจัยมีสามวาระชานะปจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีส า, า, วาม nah วาระสัำยุตตปัจจัยมีเ้าวาระหาติปัจจัยมีเ้าวาระนณติปัจจัยมีเ้าวาระวิคตปัจจัยมีเ้าวาระอวิคตาปจจัยมีเ้าวาระปัญนียุทธะ๔๒ สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอกุศลโดยอารมัตปัจจัยชหชาตาปัจจัยและอุปาณิเสยปัจจัยย่อ43ณเหตุปัจจัยเมื่ก้าววาระณอารมัตปัจจัยเมื่ก้าววาระณอธิปติปัจจัยเมื่ก้าววาระณอนันตระปัจจัยเมื่้าววาระณสมนันตระปัจจัยเมื่ก้าวาระ นะสหชาติปัจจัยมีเก้าวาระนะอัญญามัญญปัจจัยมีเก้าวาระละถึงโนอวิกาตปัจจัยมีเ้าวาระปัจจ尼ยะจบนะอารามณะปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระย่ออนุโลมปัจจ尼ยะจบอารามณะปัจจัยกับเนเหตุปัจจัยมีเก้าวาระย่อปัจจ尼ยานุโลมจบ พืงนับเหมือนอนุโลมปั จ, จนิยะอนุโลมปั จ, จนิยะและปั จ, จิญาณุโลมแห่งปัญหาวาระในกุศลเตกะที่นับไว้แล้วสอพยคตบทหนึ่งปฏิจจวาระ ปัจจะยะจะตุกนาอเหตุปัจจัยเป็นต้นสี่สบสสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัพญากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัพญากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัพญากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจัจสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอภญากฤต อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัย45สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤิดเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยมีสามวาระ46 สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤิเกิดขึ้นเพราะอารมามณ ป, ปัจจัยย่อ47เหตุปัจจัยเมฆาวาระ อ, อระารามณปัจจัยเมฆาวาระอธิปติปัจจัยเมฆาวาระอนันตระปัจจัยเมฆาวาระสมนันตระปัจจัยเมฆาวาระชาชะตาปัจจัยเมฆาวาระอัญญัมัญยปัจจัยเมฆาวาระ นิสยปัจจัยเมฆ่าวาระอุป n ิ s y a ปจจัยเมฆ่าวาระปุเรชาตปัจจัยเมฆ่าวาระปัจฉาชาตปัจจัยเมฆ่าวาระอาเสวนปัจจัยเมฆ่าวาระพรมะมปจจัยเมฆ่าวาระวิปากปัจจัยเมฆ่าวาระมหาราปัจจัยเมฆ่าวาระอินทรียปัจจัยเมฆ่าวาระชานะปจจัยเมฆ่าวาระมคะปัจจัยเมฆ่าวาระ สัมยุญตปัจจัยมีฆ่าวาระวิบุญตปัจจัยมีฆ่าวาระอธิปัจจัยมีฆ่าวาระนัตติปัจจัยมีฆ่าวาระวิคตะปัจจัยมีฆาวาระอวิคตะปัจจัยมีฆ่าวาระอนุโลมจบนเหตุปัจจัยและนอารมณปัจจัย48สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัภยฤล อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอภยากฤิเกิดขึ้นเพราะนัเหตุตุปัจใจสี่สิบเ้าสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอพยากลิริดอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอพยากลิริดเกิดขึ้นเพราะนัอารามณะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอพยากลิริดอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอภยากลิริดเกิดขึ้นเพราะนัอารามณะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอพยากลิริด อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอพยกฤตเกิดขึ้นเพราะณัอารรมนัปจัยณอธิปติปัจจัยเป็นต้นห้าสิบสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัพยกฤิอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอพยกฤิเกิดขึ้นเพราะนอธิปติปัจจัยมีกล่าววาระห้าสิบเอ็ดสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัพยกฤต อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัพยกฤตเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัพยกฤิอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัภยากฤตเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัพยกฤิอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัพยกฤิเกิดขึ้นเพราะนกกรรมปัจจัยห้าสิบสอง สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอพยกฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอพยกฤตเกิดขึ้นเพราะณอาหารปัจจัยเพราะณอินทรีย์ปัจจัยเพราะณฌานะปัจจัยย่อห้สณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอารมณปัจจัยมีสามวาระณธิฏฐิปัจจัยมี9้าวาระณอนันตระปัจจัยมีสามวาระณสัมมันตรปัจจัยมีสามวาระ นอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนอุปาณิสียปัจจัยมีสามวาระนปุเรชาตะปัจจัยมีห้าวาระนปัจฉาชาตะปัจจัยมีห้าวาระนอาศิวะนปัจจัยมีห้าวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีห้าวาระนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทริยปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระ นมะข้าปัจจัยมีหนึ่งวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระณวิปยุตตปัจจัยมีเ้าวาระโนัตถิปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระปัจจนียจบณอารมะเปัจจัยกะเพตุปัจจัยมีสามวาระณอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระย่ออนุโลมปัจจนียจบ อรามณะปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อป จ, จินียานุโลมจบพึงขยายสหาชาตะวาระปัจยวาระนิสยวาระสังสัต ถ, ถาวาระและสัมปยุตตวาระให้พิจารณาเหมือนกับปิติ จ, จัวาระสอพะัพภยคตะบทเจปัญหาวาระปัจยะจตุกนัยเฮตุ ป, ปัจจัยห้าสิบสี่ สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยเหตุตปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอภิยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอภิยากฤตโดยเหตุตปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยเหตุตัปัจจัยอรมณปัจจัยเป็นต้นห้าสิบห้า สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอพยกฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัพยกฤตโดยอารมณ์ปัจจัยมีเก้าวาระห้าสิหสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัพยกฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัพยกฤตโดยทิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาธิปติและจหชาตาธิปติมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอพยากฤต เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอพยกฤดโดยที่ปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารมนาธิปติและจหชาตาธิ yes, <institute. S 2> ปติมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัภยกฤดเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัพยกฤดโดยที่ปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมนาธิปติมีสามวาระปุเรชาตะปัจจัยเป็นต้นห้าสิบเจ็ด สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัพยกฤิตเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัพยกฤตโดยบริชาตะปัจจัยมีสามวาระห้าสสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัภยากฤตเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัพยกฤตโดยปัจฉาชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอพยกฤิตเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัพยกฤิต โดยปัจฉาชาตะปัจัยสภาะวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤตโดยปัจฉาชาตะปัจจัย59สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤตโดย k a r ปัจัยมีสามวาระ6กสสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤต เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัพยกฤดโดยวิปากปัจจัยมีฆ่าวาระ6กสอสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัภยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัพยกฤดโดยอาหารปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอินทริยะปัจจัยเป็นปัจจัยโดยชานะปัจจัยเป็นปัจจัยโดยมัคคะปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตะปัจจัยวิปยุตตะปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอพยกฤตเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัพยกฤิตโดยวิบิยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอภยากฤิตเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัพยกฤิตโดยวิบิยุตต์ปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัภยากฤตเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัพยกฤต โดยวิบูตตะปัจจัยย่อหกสิบสาเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณะปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเก an ้าวาระอนันตระปัจจัยมีเก้าวาระสมนันตระปัจจัยมีเก้าวาระสหชาตตะปัจจัยมีเก้าวาระปัญญมัญญปัจจัยมีเก้าวาระนิสยาปัจจัยมีเก้าวาระอุปาณิสยาปัจจัยมีเก้าวาระ ปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระาเศวณปัจจัยมีห้าวาระรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีห้าวาระมหาราปัจจัยมีสามวาระอินทรียะปัจจัยมีห้าวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมคคะปัจจัยมีห้าวาระสัมยุตตปัจจัยมีห้าวาระวิบยุตตปัจจัยมีห้าวาระ มัติปัจจัยมีข้าวาระนัตต so ิปัจจัยมีข้าวาระวิคตาปัจจัยมีข huh ้าวาระอวิคตาปัจจัยมีข <dreams puedo S 2> ้าวาระปัจจนียุทธาระหกสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤิโดยอรหันต์ปัจจัยสหชาตตปัจจัยและอุปาเสสยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัภยากฤิ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรม <m> ที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอภิยากฤตโดยรมณปัจจัยสหชาตะปัจจัยอุปาเนสยาปัจจัยและป <paused> ัจฉาชาตะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤดโดยรมณะปัจจัยสหชาตะปัจจัยและอุปาินสยปัจจัยหกสิห้าสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอภิยากฤด เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นอัภยกฤิโดยอารมณปัจจัยสะชาตะปัจจัยอุปาณิเสปปัจจัยเรชาตะปัจจัยปัชชาชาตะปัจจัยอาหาระปัจจัยและอินทรียปัจจัย66นเหตุปัจจัยเมฆ้าวาระนอารมณปัจจัยเมฆ้าวาระณอธิปติปัจจัยเมฆ้าวาระย่อปัจจ尼ยะจบ นออารมณะปัจจัยับเหตุปัจจัยมีสามวาระย่ออนุโลมปัจจนิยะจบอารมณะปัจจัยคำนั้นเหตุปัจจัยมีห้าวาระย่อปัจจินยอนุโลมจบพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจนิยะอนุโลมปัจจนิยะและปัจจินยอนุโลมแห่งปัญหาวาระในกุชลติกะที่นับไว้แล้วเหตุทุกะและกุชลติกะจบ